ปัญหาที่ห้าถามเรื่องสุขเวทนาค่าแต่พระนาคเสณสุขเวทนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากฤิตวงเล็ปเปิดอัพยากฤิตหมายถึงทำที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลคือเป็นนิพพานวงเล็ปิดขอถวายพระพรเป็นกุศลก็มี อกุศลก็มีอัพยากฤตก็มีข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นกุศลก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นกุศลคำกล่าวว่าสุขเป็นทั้งกุศลเป็นทั้งทุกข์ก็ไม่ควรอุปมาก้อนเหล็กแดงและหิมะขอถวายพระพรมหาบาพิษจะทรงเข้าพไทความข้อนี้อย่างไรคือ Un, มีก้อนเหล็กแดงวางอยู่ที่มือข้างหนึ่งของบุรุษคนหนึ่งและมีก้อนหิมะเย็นวางอยู่ที่มืออีกข้างหนึ่งมือทั้งสองข้างจะถูกเผาเหมือนกันหรือมหาบพิษถูกเผาเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นมือทั้งสองข้างนั้นจะร้อนเหมือนกันหรือไม่ร้อนเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้น มือทั้งสองข้างนั้นจะเย็นเหมือนกันหรือไม่เย็นเหมือนกันพระผู้เป็นเจ้าขอมหาบาพิตรจงทราบว่ามหาบาพิตรถูกกล่าวข่มขี่แล้วคือถ้าก้อนแหล็กแดงอันร้อนเป็นของเผาก็จะต้องเผามือทั้งสองข้างแต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้อยคำของมหาบาพิตรจึงใช้ไม่ได้ ถ้าของที่เย็นเป็นของเผามือทั้งสองข้างก็จะต้องถูกเผาแต่มือทั้งสองข้างไม่เย็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำของมหาปพิธจึงใช้ไม่ได้ขอถวายพระพรเหตุใดจึงว่ามือทั้งสองข้างถูกเผาแต่มือทั้งสองข้างนั้นไม่ร้อนเหมือนกันไม่เย็นเหมือนกันข้างหนึ่งร้อนอีกข้างหนึ่งเย็น เพราะฉะนั้นคำที่มหาบาพิตรตรัสว่ามือทั้งสองข้างถูกเผานั้นจึงใช้ไม่ได้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยไม่อาจโต้อตอบกับพระผู้เป็นเจ้าได้แล้วขอพระผู้เป็นเจ้าจงแก้ไขไปเถิดลำดับนั้นพระเถระจึงทำให้พระเจ้ามิลินตรงเข้าพระทัยได้ด้วยคาถาอันประกอบด้วยอภิธรรมว่ามหาราชา โทมนัสเวทนาวงเล็บเปิดความรู้สึกยินดีวงเล็บปิดอันอาศัยการคลองเรือนวงเล็บเปิดกามคุณห้าวงเล็บปิดมีอยู่หอาศัยการถือบวชมีอยู่หโทมนัสเวทนาวงเล็บเปิดความรู้สึกยินร้ายวงเล็บปิดอันอาศัยการคลองเรือนมีอยู่หก อาศัยการถือบวชมีอยู่หกอุเบกขาเวทนาวงเล็บเปิดความรู้สึกวางเฉยวงเล็บปิดอันอาศัยการครองเรือนมีอยู่หกอาศัยการถือบวชมีอยู่หกเวทนาทั้งสามสิบหกอย่างนี้แยกเป็นเวทนาที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน รวมเข้าด้วยกันเป็นเวทนาหนึ่งร้อยแปดขอถวายพระพรพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วสรุปความพระเจ้ามิรินไม่ทรงเห็นด้วยกับพระนาเกษณที่ว่าสุขเวทนาเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากริก็มีแต่พระองค์ทรงเห็นว่าถ้าสุขเวทนาเป็นกุศล ควรเป็นผลแต่สุขไม่ควรให้ทุกข์ด้วยแต่พระนัาเกษยยังคงยืนยันตามเดิมโดยยกตัวอย่างมาสักถามเพื่อลวงให้พระราชาตอบผิดจะสังเกตได้ว่าการตอบคำถามท่านจะไม่ค้านหรือตำติโดยตรงแต่ใช้อุบายเพื่อรักษานาใจเท่านั้นอันนี้เป็นหลักในการสนทนาธรรมของท่าน ในดีกามิลินท่านอธิบายว่าความจริงนั้นมีอยู่ว่าถึงสุขเวทนาที่เป็นกุศลก็เป็นทุกข์ได้เพราะเป็นทุกขสังขารและเป็นทุกข์แปรรวนถึงทุกข์อันได้แก่โทมนต์คือความไม่ชอบใจที่อาศัยการถือบวชนั้นก็เป็นกุศลได้เพราะเป็นของไม่มีโทษ แต่พระเทระคิดว่าเมื่อเราตั้งปัญหาว่าด้วยก้อนเหล็กแดงกับก้อนหิมะถามพระราชาพระราชาก็จะแก้ผิดเราจักชี้โทษว่าแก้ผิดเมื่อพระราชาไม่อาจแก้ได้ก็จะขอให้เราแก้เราจึงทำให้พระราชาเข้าใจตามความจริงได้เมื่อพระเทระ ถามว่ามือทั้งสองข้างนั้นถูกเผาเหมือนกันหรือพระราชาก็จะต้องตอบผิดว่าถูกเผาเหมือนกันเพราะได้สดับมาว่าของเย็นของร้อนจัดเป็นเตโชธาต์ทั้งทรงเข้าพระทัยว่าก้อนหิมะเย็นเป็นของกัดอย่างร้ายแรงเมื่อทรงเข้าพระทัยผิดอย่างนี้ก็ตรัสตอบว่า มือทั้งสองข้างถูกเผาเหมือนกันเมื่อพระเถระซักถามต่อไปว่าถ้ามือทั้งสองข้างถูกเผาก็จะต้องร้อนเหมือนกันหรือจะต้องเย็นเหมือนกันใช่ไหมพระเจ้ามิลินตรัสว่าไม่ใช่ดังนี้แล้วพระนาคเสนจึงเอาประเด็นนี้เป็นความผิดเพื่อชี้โทษที่ทรงเห็นผิดในข้อนี้ เมื่อพระราชาอับจนต่อปัญหาที่ยกตัวอย่างมานี้จึงเปิดโอกาสให้ชี้แจงได้เป็นการยอมรับฟังความเห็นของพระเถระว่าบุคคลผู้หนึ่งจับก้อนเหล็กแดงด้วยมือข้างหนึ่งและจับก้อนหิมะด้วยมือข้างหนึ่งซึ่งสิ่งของทั้งสองอย่างนี้ ถึงแม้จะมีสภาพตรงกันข้ามแต่ก็ให้ความรู้สึกทั้งร้อนและเย็นแก่ผู้จับเหมือนกันฉันใดสุขเวทนาอันมีในเวทนา108ก็ดีย่อมให้ความรู้สึกทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากิจเช่นกันฉันนั้น